หลับไปเอาเรื่องวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกมาต้น้าพิจารณาอยู่พิจารณาไปตามกระแสะแห่งวิชาที่เราเรียนมาตามหลักวิธานั้นๆแต่รู้สึกว่ามีสติสัมปชัญญะนูทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ตัวต้นจิตของเราจะดำเนินผิดไหม ถ้าหากว่าสิงใดเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะรู้ก็ตามต้นสิ่งอื่นซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพร้อมเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาเราจะ ถ, าถือว่าจิตของเราเดินทางผิด ให้เดินเอาสิ่งที่จิตกําลังคิจารณาค้นษาอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอารมณ์ไปเลยไม่ต้องย้อนกลับมาหาเรื่องตายักตาสติอีกและเมื่อจิตสงบลงไปแล้ววิสัยเพียหรือสมาธิของเรามันจะกลายเป็นอัจนมัติสามารถที่จะเหนียวเอาสิ่งใดซึ่งเป็นปัญหาข้องใจอยู่มาเป็นเรื่องคิจารนา าหากรานี้อสติรูทันสิ่งนั้ น, น, นอยู่ตลอดเวลาจนว่าจิตของเราไม่ได้โดนทางจิตเพราะวิชาความรู้นั้นก็เป็นอารมณ์ซึ่งเราได้มาจากตันรู้เห็นด้วยตาหูจมูกเล่นตายใจในเมื่อตาหูจมูกเล่นตายใจเป็นอายตนะภายในท่านจัดเป็นธรรมะบทหนึ่ง สิงที่เรารู้ด้วยตาหัวจมูกเล้นกายด้วยใจแล้วไปรวมรู้อยู่ที่ใจอย่างเดียวสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมควรที่จะยึดเป็นอารมณ์พิจนารณาได้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายเอาว่าเราจะต้องพิจารณาให้มีความรู้จึงจะใช่ได้เพียงต่อสติสตัมเทียงสติสตสัมผัสรู้สิ่งนั้นๆเรามีสติโลดทัน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 ถ้าเผืว่าจิตของเราคิดขึ้นมาเองเราทำสติรู้ไปพระถ้าหาสมาธิเกิดขึ้นเรามีสติสัมปชัญญะรู้กล้อมอยู่ที่จิตแล้วอะไรเกิดขึ้นทางในจิตเราเพียงแต่รู้บางทีเมื่อเราตั้งใจรู้ิ่งโรู้มันก็หายไปได้จิตร่างเมื่อจิตร่างก็รู้อยู่ที่ความร่าง เราว่างถ้โดยสักพักหนึ่งจิตก็เกิดความคิดเกิดความไม่ว่างขึ้นมาเราทำก็เตะไล่ตามอยู่ตลอดเวลาจิตในตามคิดรู้อยู่ที่คามคิดจิตว่างรู้อยู่ที่คามบ้างสะขาดทันปฏิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสึ่งที่เราต้องการจากการภาวนานี้แม้ว่าเราจะทํำสมาธิได้ดี ว, วิเศษจากกันใดก็ตาม หรือจเจริญปัญญาให้คล่งตัวมีปัญญาความรอบรู้หรือจะมีความรู้มากมายแต่ายกองจัดเพียงใดก็ตามโดยจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างสติสัมปชัญญะเพราะธรรมทั้งหลายรวมลงสู่ความถ้าเป็นา่ายกุศลธรรมก็รวมลงสู่ความจะมาความไม่ประมาท มเมื่อเราจะถามว่าความไม่ประมาทค อ, อะไรคือความไม่ขาดจากสติคือความมีสติทำมาโดสนทั้งหลายเรียนลงตูวความประมาทเมื่อถามกันว่าความประมาทคืออะไรก็คือความขาดสติเพราะฉะนั้นความข้อนี้จึงเป็นการส่องความให้กระต่างแจ้งว่า การปฏิบัติทำทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังคลอมเป็นสติที่ได้โยเข้า อ, อยู่ที่จิตตลอดเวลาเมอเรามีสติสัมปชัญญะรู้กล่มเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นําอยู่ในจิต ผู้จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิตจอบมีความรู้สึกสันึกขิตชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีพุทธะอยู่ในจิตเพราเรามีรู้อยู่ในจิตเมื่อพุทธะตัวนี้มันจะมีพลังเก้ขาขึ้นจนกระทั่งสติมีความเข้มแข็งละเอียดจิตมีพลังที่ไม่บานไว้ จิต้องผู้พรวดาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตรสรนคมคมือพระพุธะพธะทธธรรมโดยสูงก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอว่าคำสั่งสอนของพระศาสาคตเจ้านมวิทสัศโีมีก า, ามีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระลักษณะไตร น้พาเปโมมีความรักมั่นในคุณพระรัตนตรยัยอาตาีิปามีตนเป็นเกาะอตาสรณนามีตนเป็นที่พึ่งพระตนของตอนกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยประการละเจน้จิตเวียน ญ, ญาณและร่างกายมีอะไรเป็นเครื่องยึดหนี่ง จิตวิญญาณและร่างกายมีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อจิตแต่วิญญาณอันนี้ไปเที่ยวยึดอะไรเปรอะไปโดยไม่มีความมั่นใจเป็นโอกาสทีให้เป็น เป็นช่องโหว่ที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิ่งได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เจาะเที่ยวยดึดตูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายหล่ยใจหาอะไร ย, ยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้ ขออะไรผ่านเข้ามาแบบเยอะ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆในเมื่อจิตวิญญาณของเราไปยึดสิ่งอื่นจิตวิญญาณของเราก็กลายเป็นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวของตัว <c oughs> เมื่อไม่เป็นตัวของตัวจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคง เพราะงั้นอบายวิธีที่ทำให้จิตบัญญาณอันนี้มีที่ยึดอย่างมั่นคงเราจึงมาฝึกสมรมฐานด้วยวิธีการต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านอดชมสั่งสอนเมื่อเราไม่มีสิ่งยึดอย่างเหนียวนั่นมันก็กลายเป็นจิตบิญญาณที่โลเล ยึดโน่นบงังยึดนี่บงังจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ไม่มีความมั่นคงในสิ่งที่ยึดจึงเป็นช่องโหู่ให้วิญญาณอื่นเข้ามาสิงได้ดังนั้นปัญหาที่ว่าจิตกับวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวโดยทั่วไป พอปฏิบัติธรรมที่จะได้อาจจะให้ได้สระนาที่พึ่งอย่างแท้จริงต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นพิศ่ศษเราจึงมีการปฎริญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าและทำประสงค์ทุกโอกาสที่เราทําความดีถ้าจิตของท่านเพื่อใดมาเยึดนั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าและทำได้ส่งอย่างเหนียวแน่นโดยไม่หวั่นไหวเวียน ญ, ญาณต่างๆไม่มีโอกาสที่จะเข้ากัมทัสส่งได้ แม้แต่สันนัตทรงที่มีชู่เสียงโด่งดังที่สุดในกลุ่เทพคอยนิมนต์พระบางองค์เึื่อเป็นนักปฏิบัติเข้ามาร่วมพิธีการบางองค์พระท่านนั้นในสนุกขึ้นมาก็กำหนดจิตตัวว่าจะมีเจ้ามาทรงจริงหรือเปล่าในคำเราจริตทำจิตสวางถวัยขึ้นมาและมองเห็นเจ้าแห่กันออกมาจากกาลถากันล้อมโลกทุกขาน ย่ยนกันจะเข้ามาประทับสูนย์แล้วคนเจ้าเกิดลังคาลัวเจ้าจะตีกันหัวร่างทางแตกเจึงกําห น, นดจิทห้ามไม่ให้เจ้าเหลานั้นมาศุกร์ทำเอาเจ้าสํานักต้องเราสดกับคารล้มเหลวพระได้ประกาศไปแล้วว่าจะเชิญเจ้าโน้นเจ้านี่มามาประทับศูนย์ดั ะ, ะนั้น ถาเว่าท่านผู้ใดมายึดประพธพะธรรมเร า, าสงฆเป็นสถนะที่พึ้นจากเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสถานะมีที่ขึ้นมีที่ยึดเมื่อประพธพะธรรมได้าาสงฆนี่เรายึดจากเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบานทำธรรมะที่จิตสงบสว่างลงไปเมื่อไหร่ เราอยากจะไปไปมองดูหน้าเจ้าตามสถานที่ต่างๆ ส, ส่ ง, สงสไปเสียจิตไปล้วจะมองเห็นเจ้าทั้งหลายนั่งดวดเล้ากันอยู่เป็นแถวๆปัญหานี้ข่ขอให้คำตอบนี้ มัจกาการถามนี่เป็นปัญหาเข้าสงเรื่องเข้าสองอันนี้ก็เกียวกับเรื่องเข้าสรงอีกเหมือนกันบอกว่าเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่ อ, อรรประมลังสีเทพพระพระพรหมหลวงปู่ต่างๆและบอกว่าจะไม่เกิดอีกแล้วแท้จริงอย่างไร อันนี้เราปัญหาเหล่านี้ไม่อยากจะตอบให้มันกว้างฝว้งเป็นว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาของเราแบ่งออกเป็นสองประเทศประเทศหนึ่งยึดพระาตรปณฎคมคือพระพุะทธธรรมไปสูงเป็นสาระนาที่พึ่งที่ราลึอกอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายที่จะสร้างตัวเองให้มีภูมิจิตภูมิใจเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงราละอีกดพวกหนึ่งปิญญาณตอนกันผู้นับถือพระพุทธศาสนาจริงศาสศาสนาแต่ว่าเมื่อการประพฤติหรือจิตใจยังหวังเพิ่มเตมหลวงพ่อพระตมพระเทศพระอะไรต่างๆ ส่วนอันนี้ก็เป็นความ พ, พอใจหรือความสมัติใจหรือความเชื่อมั่นของท่านเหล่านั้น เ, เรื่องอย่างนี้้ะพูดมากไปก็ใ ก, กล้ๆ ก, ก, กับว่าโจมตีกันหรือทำลายผลประโยชน์กันข อ, อไปลี่ยนว่าคนนับถือพระพุทธศาสนาของเราแยกออกเป็นสองประเทศพวกหนึ่งยึดมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆอีกพวกหนึ่งยึดในพระรัตนตรัยทั้งหลวงพอ่อหลวงตาทั้งหลายด้วย เขาจะนั่นปัญหาที่ เ, เกิดมีการทรงการสัมผัสทรงอะไรต่างๆนี่ก็มีมันมันอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพเจ้านับถือเหลวงพ่อผู้รู้เจ้านูนเจ้านี่ในเมื่อทำพิธีทรงขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการทรงถหากเราจะมั่นต่อพร ะ, ะรัตนตรัยกันจริงๆแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมาเข้าส่งเราได้ทำไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้เรื่องอดีตอนาคตรปัจจุบันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโดยมกติล่ไม่มีใครรู้เห็นด้วยกับผู้ที่บอกเราทีนวิถีชีวิตของคนเราย่อมมีอันเป็นไปต่างๆ ในมานเรื่องอดีตเช่นอย่างสมมติว่า้ารจะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเราเป็นไปอย่างไรอย่างไรพวกทรงเหล่านั้นเขาสามารถที่จะบอกได้และเรื่องที่ว่าในชาติอดีตเป็นอย่างนั้นในชาติอดีตเป็นอย่างนีน้เขาก็บอกได้บอกได้นะบอกได้ แต่ว่าจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ไม่กล้ารับรองและเขาเองก็ไม่กล้ารับรองถ้าอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยมีใครมาบอกว่าให้ดั้งดววิจารณ์ของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วว่ามีความสุขสุดอย่างอย่างไงแล้วเอาไส่ความเชื่อถือความเลื่อนใสหลวงพ่อหลับตาลงทัศ นึกอยากได้กติสวยๆเอ้ยปู่ย่าตายายของคนนี้ไม่มีที่อยู่เลยสั่งฉันมาบอกว่าให้ไปสร้างกติหลังสวยๆให้หน่อยถ้าอยากได้กติยากโจนนี้จะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดหลวงพ่อก็อ่านคำดีก็ใจกระดกมาบ้างคอสมควรเหมือนกัน เหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ฟังเป็นนิานทานต่างๆที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนใครหมดแต่เมื่อไม่มีใครมาทูลถามพระองค์จะไม่เทศเช่ น, นอย่างเรื่องเทวดาบูชาดอกบดดหมเบียงสีเ่เราก็ไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายท่านหมอกพลาไปเยี่ยมสวรรค์ไปเห็นเท่า พอได้ถามโน้ความแล้วก็กมากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นพรได้หรือคนบูชาดอกโบกผมสีดอกไปเกิดเป็นเทวดามีสมบัติมากมายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าเออหมอกันลาเป็นพยานของเราแล้วเรียกทศูสู่ทั้งหลายมาประชุมเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือจึงไม่แสดงที่นี่เทพเจ้าองค์ไม่แสดงก็ไม่มีหลักฐานพยานสาวก เพราะพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่สงสัยจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นในไหนแม้หลักฐานพยานไม่มีก็แสดงดักไปอันนี้อันนี้ขอให้ํำตอเพีงแค่นี้พูดมากไปมันทำรายประโยคของคนอื่นแต่ใ น, นปัญหา ีกปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐานนั้นจะมีแสเหมือนปันเหมือนไฟฟ้าออกจาก อ, อ, อะไรไฟฟ้าจะกิดออกจากเสื้อผ้าและผ้าผมนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไร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 เมื่อเจตสงบลงไปจริงๆแล้วจึงเกิดมีความสว่างสบายขึ้นหรือบางท่านความสว่างสบายรู้แสงอย่างนั้นไม่มีเลยแต่เมื่อเจตสงบลงไปแล้วรู้สึกมีความจดมแจมก็ะยิมยิ้มย่องอยู่ภายในจิตอันนี้ซึ่งแล้วแต่อุปาิสัยของผู้ใดจะเป็นไปจินั้น แต่ขอดืยนยันว่าสมาธิที่มีพลังงานอย่างเต็มที่จะต้องมีความสว่างเป็นเครื่องหมายหมายถึงสมาธิขั้นสมถะสมถานขั้นฌานถ้าสมาธิโดนฌานอย่างแท้จริงต้องมีความสว่างสวัยถ้าสมาธิเดนขั้นวิปัสสนามีความคิดเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่สติเฝ้าดูเหตุการณ์ตลอดเวลาความสว่างสยอย่างว่านั้น จะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่จังหวะของจิตมีแต่ความจำเจ็และความรู้ทันอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะของสมาธิที่เดินขั้นวิปัสสนาในมาพุทธถึงตรงนี้ก็ขอย้ำอีกที่ว่าควาว่าฌานฌานหรือสมาธินี่ เราพอที่จะแยกออกได้เป็นสองประเภทเริงสมาธิในฌานคือสมาธิในฌานในลักษณะฌานสมาบัติฌานดูสีสมาธิในฌานดูสีนี้มาจิตสงบลงไปนิ่งแล้วมีความสว่างไสวร่างกายตัวตนหายไปหมดจังแต่ความว่างเปล่าอันนี้คือสมาธิในฌาน และไม่รู้อะไรเรียกว่าอารัมมโนกนิชานเมื่อจิตอยู่ในฌานแบบเลือดสีจิตจะไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวเช่นอย่าแท่งกระสินก็ไปรู้อยู่ที่อุกคาหานิมิตถ้าเท่งอสุธากรรมาฐานก็จะไปรู้อยู่ที่โครงกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หากว่าไม่มีสิ่งรู้จิตก็จะรู้อยู่ที่จิตแล้วสว่างสวัยอยู่จังไม่มีจุดใหม่ร่างกายจนตัวหายไปหมดทุนความโลภเหตุโลภผลอะไรต่างๆไม่เกิดขึ้นมีกิดความว่างถ่ายเดียวอันนี้เป็นสมาธิแบบคาลูสีสมาธิแบบคาลูสีนี้เป็นบาดเพื่อนให้เกิดวิปัสสนา ถา้าเราอยู่ในฌานดูสีถ้าจิตของเราออกจากฌานดูสีพอรู้สึกว่ามีกายปราบกกขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพักผู้ภาวนารำสติกำหนดตามรู้ไปแ ล, ล้วฌานดูสีจะกลายเป็นพลังส่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสสนาได้อย่างนาแน่แน่อันนี้แล้วจกความฉลาดของผู้ปฏิบัติ ทีนี้ในเมื่อจิตของเราถอนออกมาจากสมาธิเช่นนั้นมากําหนดหมายาความคิดอ่านเป็นอารมณ์เครื่องรู้แล้วก็ตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเมื่อเกิดวิสตกวิจารขึ้นมาเมื่อไหร่เพื่อจิตคิดเองสติตามรู้เองโชคสิ่งทุกอย่างพร้อมหมาเจาะพันพอดีความคิดตกคิดขึ้นสติก็ทําหน้าที่จอดจอกันอยู่อย่างนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นวิตตออเมื่อมีจีวิตตกวิจารเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปอาจจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขจ้าเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นฉชนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดจากในปัจจุบัน กลายเป็นเอกตขะตาเพือจิตทำหน้าที่ของจิตโดยไม่มเีเปลี่ยนแปลงสติจิตก็ทำหน้าที่คิดพิดจารณาสติก็ทำหน้าที่ของสติแล้วลักษณะความดูเติมพระธรรมคือปีติและความสุข ก, ก็เกิดพร้อมอยู่ตลอดเวลาวามเป็นหนึ่งทของจิตการเปาหมายของชานในขั้นนี้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 เมื่อเจ็บผานชานที่หนึ่งที่สองไปแล้วจนกระทั่งเข้าไปสู่ชาติที่ท 5, สี่กลายเป็นชาติที่ห้าจิตตัวซึ่งหนีจากร่างกายลงไปแล้วไปแล้วโชคเสียงที่อย่างหายไปหมดในช่วงที่โชคเสียงทุกอย่างหายไปหมดแล้วจิตอยูย่ในชานที่ที่ห้าอาตาส า, ารัญญาเจตนะ เมื่อเจิตหวนที่จะมายึดปิจารเป็นสิ่งรู้กลายเป็นโคลตระกูลยานสิ่งรู้ของจิตปลากรดขึ้นมาทันทีบางทีเปลีป่ยนว่าจิตปลาเดินอยู่เหนือโลกแต่มีกระแสมองดูโลกทั่วหมดทั้งโลกบางทีปรากรดมีตายตายลงไปจิตรู้อยู่ที่การตายนั้นแล้วก็รู้ไปตลอด จนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายทั่วไปไม่มีอะไรเหลือหรือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือนเมฆมองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบ จ, จิตอยู่ตลอดเวลาจิตจะนี้อยู่ในอริยมรยรคเอคาโยโทมขูเขาตั้งตัวโยนหยับอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่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 คาโลภท่านเราพุทธละหมายถึงควารโลภที่ไม่มีสมมติปัญญาทีนี้นในเมื่อจิตไม่มีสมมติปัญญาด้วยสิ่งโลภทั้งหลายเหล่านั้นมาจากไหนก็จิตตัวที่ละเอียดนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อปกปลมตัวเองละเจ็บปรุงแต่งขึ้นมาสังขารตัวนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึกมันก็กลายเป็นวิสังขาร เป็นแต่เพียงสิ่งโูภของจิตสิ่งโลูภของสถิ่ลละก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคในเรียกว่าลัคนุปนิชฌานพระจิตทําหน้าที่ตกำหนดโลภสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครโลภเห็นธรรมะในข่านนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปื่อยผุพัง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 จะไปเข้าใจว่าสิ่งโูกทั้งหลายนี่มีเทพเจ้ามีอะไรบันดาลให้เข้ามาจงแจงมาให้เรารู้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้าจิตตัวมีปัญญาละเอียดมันตึงขึ้นมาสอนตัวมันเองทีนี้ในเมตเจตไม่มีความสัมพัญบรรจนหมายสิ่งใดว่าเป็นอะไรมิจะรู้อยู่เฉยๆยกตัวอย่างเช่นธาตุเมตดอาจจะบังเกิดขึ้นนี่เป็นล่างศพที่เน่าเปื่อยปูพังแต่นี่เป็นล่างที่สวยงามที่สุด ในขณะที่จิตลู่เห็นอยู่จิตจะไม่สําคัญไม่มีความเอียงเอียงลําเอียงว่าอันนี้ดีอันนี้เสียมีความรู้สึกเสมอกันเสมอคืนี้แม้ว่าจะไปลู่กฎของบุญของบาปอะไรต่างๆก็ดีแต่ถ้าว่าความดีความดีไม่ปรากฏความชั่วไม่ปราบกฏก็ในขณะนั้นจิตเป็นกลาง แล้วมาจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งดีสิ่ ง, งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งที่ยุงดวงจิตของเราให้สูงขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่า บ, บาสนี่เป็นกฎที่จะขูดดวงจิตของเราให้ต่ําลงทํามาบุญบาปไปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัติ เพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายเกริญนักปฏิบัติหรือมาไปเหทุกข์ถึงตัวอย่างไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีสมมติบรรดัติที่พิสุทธิ์นิพพานังปลามังมกุศลยังไปหมดไม่มีใครสําเร็จพระนิพพานบุญบาป ท, ที่ทําลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรศาสตรว่าธรรมเท่านั้นนิยตากนิชขาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้ท น, นที่ตรงนี้พอเง้นนะักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวัง <c oughs>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 แต่ที่ท่านกว่าทําบุญนอกศาสนานอกศาสนาเนี่ยหากว่าใครไม่นิจมที่จะทํามันเป็นเรื่องที่ผิดานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาโดยมาจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยกราบลงในบทฝรังมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมี ถ้าไม่มีในใจไปปาัที่ไหนก็ไม่ผูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นให่อย่าไปลันเฉียดเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิิธีกรโลกคําว่าสมาเทศในอริยมรรคอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สมาเทศในอริยมรรคหมายถึงสมาเทศที่ไปรวมร้อมลงเป็นหนึ่งเมตตาภาวา ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานราบึ้นในจิตยอย่างแจ่มชัดแม่สมาธิในขั้นสมถะก็ด้ชื่อว่าสมาธิในอริยมรรคเพราะเป็นมูลฐานเป็นบาตฐานให้เกิดวิปัสสนาที่ในสมาธิในอริยมรรคติใช่การได้หมายถึงสมาธิที่เราอดลมจิต ในการพิจารณาหรือละเลิเลกลตามรู้สิ่งต่างๆอันเป็นอารมณ์ของจิตจนกระทั่งจิตเปิดมีวิตกวิจารตีติสุขเอกักต า, าแล้วทำน้าที่พิจารณาสภาว่ารมด้วยไปเจ้าส ต, ติก็ตามรู้ไปจนกระทั่งจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสงบนิ่งเด่นสว่างอยู่ในทถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ดำรงตัวอยู่เป็นอิสระในถ้ำกลางแห่งกิเลสและอารมณ์ต่างๆได้โดยไม่หวั่นไหว และไม่เกิดความยินดียินไลมีจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวต่อกิเลสหรืออารมณ์ได้ง่ายอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคโลกลางของจิตเป็นอย่างไรจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ลักษณะอาการคืออาการคิดนึกนั่นเอง เป็นโลกล่างของจิตถ้าจิตคิดขึ้นในขณะที่มีสมาธิในสมาธิอย่างอ่อนๆเรียกว่าอุปจาระสมาธิคิดถึงอะไรจิตจะปรุงเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมาแต่ว่ารูกล่างนั้นไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงอารมณ์ของจิตอาการของจิตนี้คือความ ร, รู้สึรกรู้นโครู้คิตแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว เป็นเตียงรู้สกโลเนึกอโลคิดเลเกล่อยไปแต่จะู้ดีรู้ชั่วต้องเอาใสยพลังของสติความคิดอ่านเป็นเรื่องของจิตจิตไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมเวลาภาวนาพุทโธหรูพิจารณากายทำไมจึงหนึ่งหายไรเลยนะ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 มันหายไปถ้ารู้สึกว่ามันหายก็ยกเคลื่อนไปขึ้นมาพิจารณาอีกมันหายไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาอีกบ่อยๆตั้มๆสกักดเยอะจิตมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาเองต่อไปเขาจับภาวนาพิจารณาของเขาเองปฏิบัติทำโดยภาวนาเพื่อมาปีกว่าแล้วได้รับความสงบเบากายเบาใจพอสมควรจนเมื่อประมาณเดือนเศษมาเนี่ย เมื่อนั่งปฏิบัติเ้าใดจะมีอาการตึงเครียดที่บริเวณหน้าผากและบริเวณจมูกทำให้เกิดกรคเหมือนปฏิบัติเอาความเครียดไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรอาการตึงเครียดปวดสีสับปวดที่โรงจมูกเป็นอาการที่เราก่มจิตบังคับจิตถ้ามันหยุดนิ่ง นาที่ท้องเราถ้าจะบริกรรมภาวนาก็ภาวนาคุโธคุโธคุโธเชยๆเหมือนกับว่าเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนอัะไรน้กจากพิจารณาก็เคลื่อนเลืยไปแต่ว่าธรรมสติอย่าไปมีอาการขมจิตให้มันเกิดความสงบอิติแกะก็มีแต่เพียงมีเท่านี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆแล้วจิตมีทรงพลังขึ้นเขาจะเข้าไปเองเราจะทราบได้อย่างไรว่า และอริยสงฆ์องค์ใดมีลักษณะอย่างตเป็นโสดาบันแสดงให้รู้ได้อย่างไรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปเที่ยววิจารณ์ว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นโสดาสกีทาคาณาคาบางทีเราเข้าใจจิตเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมไปก็ได้เต็นอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ออกไปบางทีก็ยกจ้องได้แค่จนโลเลศ เอาจนพระหลงตัวเข้าใจว่าตัวเป็นพระอรหันต์จริงๆก็มี <c oughs> ขอกราบเรียนถามว่ากําลังปฏิบัติสม่สถ่อยู่แต่ไม่สามารถทําใจให้สงบได้เลยจะมีสงบก็เพียงเล็เดียวถ้าจะไปปฏิบัติที่เรื่องคาวิปัสสนากําหนดดูรูปนามขอเรียนว่าจะเป็นการขัดข้องหรือไม่ไม่เป็นการขัดข้อง โดยประสบการบริกรรมภาวนาขนา น, นานไปตอนอ่านตอนแรกให้ใจสงบดีแต่ทำไปมากๆพลังของสมาธิพลังของปติปัญญาดีขึ้นจิตคอยต้องการทำงานก็หางานมาก่อนให้เขาบ้างถ้าเขาไม่คิดให้พิจารณาก็พิจารณาหรือจะกำหนดตัวความโิดตรับติดตับภายในจิตของเราก็ได้ อะไรเกิดขึ้ในจิตก็คือความเคิดนั่นเองถ้าจิตไม่คิดก็หาเรื่องมาให้มันคิดแต่มันคิดอยู่แล้วทำปติดตามรู้ไปอันนี้เป็นวิธีการที่ทําจิตให้โดนก้าวหน้าไปเมื่อเวลาสัลมลูมกายสัมลูมใจเพื่อให้เกิดสมาธิในเนกถึงคุณพระพุทธประธรรมไรสงเราได้รู้สึกว่าร่างกายจิตใจเกิดอาการต่อต้านเกิดความคิดโดยจะก็มาคิดที่กล่นเมื่อติตา ขอถามหลงภาวาอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรในตอนแรกๆเราไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองเราก็สบายในเมื่อมากําห น, นดจิตบริขธรรมภาวนาหรื้เราลดถึงคนเราพุทธธรรมประสงค์เมื่อเราเอามามาเอาใจใส่ตัวเองขึ้นมาเราบางทีเราอาจจะใช้วิธีจิตที่มาเก็บ ม, มาพิจารณาเนี่ย นองหน้าที่จะข่มจิตให้เกความสงบป้อมๆกันไปจึงมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นวิธีแก้ก็คือว่าพยายามเลือกเิดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาใดๆด้วยความเบาๆใจอย่าให้มีอาการข่มจิตจะให้มีอาการข่มอารมณ์หรืออาการที่จะข่มจิตให้สงบเนียอย่าใหม้มีหน้าที่มีแต่เพียงพิจารณาเรื่อยไปถ้า บ, บริกรรมภาวนาก้า บ, บริกรรมเรื่อยไป จิตมันจะบริกรรมภาวนาโพ้โทรผูโธอยู่ตลอดที่สี่สชั่วโมงก็ไปล่อมันเป็นไปทามันจะคิดที่จะะารณาอยู่ตลอดเวลาก็ให้มันเป็นไปนาทีของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นแล้วในที่สุดจิตจะเกิดพำสงบหรือไม่สงบก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์นั้นในแง่พระไตรลักษณบ้างในแง่อริยสัจ บ, บ้างซึ่งจสุดแท่แต่พลังจิตจะบรรลัยให้เกิดขึ้นเวลาทลําบุญแล้วไม่ต้องตรวจน้ำจะทําจิตให้นิ่งแล้ว เราเลอกกุเสส่วนกูสนอย่างไรจึงจะได้ผลดีการทำบุญแล้วถ้าเรามุ่งหวังที่จะให้โอโอเคให้แก่ผู้ใดคนเลิกถึงผู้นั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานเจตบขอให้ท่านได้รับส่วนบุญส่วนกูสนาหาก่าทำาดยตนเองเราจะปรารถนาอะไร การษนะาเอามรรคผลนิพพานก็ตั้งปัจจี่ฐานอธิฐานจิตลารษนะาเอาเพื่อเป็นการปลูกฝังสรัทธาของเราให้แก่กล้าดุอปัญหาต่อไปอขอหลวงพ่อช่วยขยายความค้าติธรรมของลุงปู่ดุลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอก เอาความหมายของคําว่าอยากส่งจิตออกนอกในขณะในในขั้นที่สึกผัดเช่นอย่างเรารกริยรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธอยู่บางทีเรากําหนดจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกบางทีก็กําหนดไว้ที่กลาง อ, อกทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราเราต่อลวมันส่งกระแสออกไปข้างนอกเรียกว่าส่งจิตออกนอก ทีนี้ในการปฏิบัติในขั้นต้นๆ น, นี่จิตนันก็ออกบั้งเข้าบั้งออกบั้งเข้าบั้งแต่ที่ท่านว่าอยากส่งจิตออกนอกนั้นเป็นการเตือนเอาไว้เพื่อให้เราพยายามสำรวจจิตเข้ามาในตัวของเราให้มากที่สุดทีนี้เมื่อเราภาวนาเก่งแล้วจิตสงบแล้วสมาธิมีแล้วสติปัญญามีแล้ว บางคีีจิตมันแก้ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติบางทีมันก็ออกนอกบ้างเข้าในบ้างซึ่งแล้วแต่ภูมิกำลังปัญญาของจิตจะให้เป็นไปแต่ว่าการไม่ส่งจิตออกนอกก้่หมายถึงว่าไม่ส่งจิตออกนอกจากบริเวณตัวของเราให้กำหนดอยู่ภายในปริมณฑลของร่างกายนี้เรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกถ้าพิจารณาดูการเจ็บหัวเขา่า หเหน็ดชากลายเป็นว่าพิจรารณาเจ็บถูกหรือไม่พ mm hmm. ิจารณาความเจ็บ น, นั่นพิจารณาเวทนาโความเจ็บเป็นเวทนาเวทนาที่เราจะรู้ได้ทันเหน็ดชาก็ดีเจ็บหัวเข่าก็ดีเพราะเรามีจิตในเมือ่อกหนดจิตลงรู้ที่นั่นก็เรียกว่าพิจารณาเวทนาในจิตเป็นผู้รู้เวทนานั้น ที่นการพิจารณาจิตในจิตหมายถึงว่ากําหนดจิตที่กําลังคิดอยู่หรือในการที่เราคิดหลังหัวเผ่ามันเจ็บมันเปิดเน็ตค่าแม่จะเป็นการพิจารณาหัวเผ่าแต่เราจะเชื่อว่าพิจารณาจิตรู้อยู่ที่จิตก็ได้เพราะจิตเป็นผู้รูเ้เรื่องของเวทนาเนี่ยการเวทนาจิตทม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 อยู่ในการพิจารณาจิตในจิตไม่หมายถึงการกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดคือรู้ในจิตอย่างเดียวอ น, นี้เราดูจิตของเราละเอียดลงไปแล้วมันจะแยกของมันเองสมาธิเป็นการกะจับความคิดคุ้งซ่านแต่ก็จำเป็นก็จิตจะได้มีกำลังถูกหรือไม่สมาธิเป็นการกำจัด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 <c oughs> คนถามนี้เวลาทําความดีแล้วอยากจะทําตลอดไปแต่ก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิง่งใดอยู่เสมอทําให้มีโมโหไม่ทราบว่าจะแก้ย่างไงการแก้ก็ฝึกคัดทาสมาธิให้หมักหมัดทีนี้เมื่อเกิดโมโหมาก็ให้มีสติอย่าให้ความโมโหมันชับพาไปทําสิ่งที่ไม่สมมาพาควรให้มันเก็ดขึ้น แต่าหากว่าเราละนับได้ไม่ทําตามความโมโหวความโมโหที่ที่หลังมันมันสั่งเราไม่ได้เราเป็นลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังมันมันจะไม่สั่งให้เราโมโหอีกต่อไปเมื่อก่อนี่หนูมันทําสมาธิพอสมควรแต่มาจะระยะหลายเดือนหลังมานี่ ท, าาทําสมาธิไม่ได้เลยใจอยากภาวนาแต่ทําไมจึงเบื่อหน ความเบื่หน่ายเป็นมันสำหรับมาตัดตอนความเจริญเต่านาที่เกิดความเบื่หน่ายเพราะเอาแต่นั่งบริกรรมภาวนามุ่งที่จะให้สงบอย่างเดียวในเมื่อ บ, บริกรรมภาวนาเจ็บสงบมีปีติมีความสุขก็มีความพอใจความมัน่นขยันนันก็เกิดขึ้นบ้างทีนี้สมาธิลำพังแต่ความสงบมีปีติมีความสุขมันเสื่มได้นี่ ในเมื่อตความสงอบแล้วเราหัดพิจารณาให้จิตใจมันทราบสูงถึงคุ ณ, ณธรรมในมก็พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าประทระําไปสงค์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หโดยการทําบุญทํากุศลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุต้นเตือนใจให้เกิดมีความประตูอรื้นให้กัอยากปฏิบัติความเบื่อน่ายมันจะค่อยหายไปแต่จิตกลับ่ะพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว เมื่อเจต้องการอยากจะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวอ น, นั่นเจตเขากำลังจะเดินไปสู่ตามรอบรู้เขาโลละ ว, ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดสูกเกิดทุกข์คือเหตุการณ์ในปัจจุบนันตัวเกิดฐานะการในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวในปัจจุบนันพิจารณาไปทางบัตรัตรลักษณ์เป็นการถูกต้องทำไงจะให้มันภาวนาได้ก็ต้องข่มใจให้มันมันสิ ตัวเองไม่ขมจะขยันได้ไงการจับจลมหายใจจนจิตนิ่งสงบแล้วทางกับผมจะปฏิบัติจายางไรต่อไปเมื่อจิตใจสงบแล้วแต่ไนเราสามารถที่จะลกคิดได้อยู่อันนั้นจิตจังไม่สงบจังแน่นิ่งการจกับจับลมหายใจจิตสงบแล้วดูลมหายใจต่อไปหากจิตจังดูลมหายใจ ลมหายใจยังปรากฏอยู่ให้ดูลมหายใจต่อไปดูไปจนกระทั่งลมหายใจละเอียดลงไปจนกระทั่งหายขาดไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่ิตสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวีเรียก ว, ว่าจใจสงบนิ่งสว่างอยู่ดวงเดียวความรู้ความคิดอะไรไม่เกิดขึ้นเ ม, ออมื่อจตถอนออกจากสมาธิยาพ่งฤทธนะเอาออกจากที่นั่งสมาธิทันทีให้ทําทำตติกําหนด คอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นเมื่อเจตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสว่ามีร่างกายความคิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรียกทำะติตามรู้ความคิดนั้นไปเหมือนตัดโพิกรรมภาวะายปล่อยให้ความคิดมันคิดไปคิดไปคิดไปคิดไปแล้วรันจะทำะติตามรู้ไปตามรู้ไป เมื่อสติสัมปจัญญะดีขึ้นติตจะได้วิวสุขวิจารณ์ปีติสุขเอกรตกษาใมีความสงบลงเปนสมาธิอย่างที่เคยเป็นมาแล้วได้หรือไม่สงบเราก็จะได้สติปรรัญญาก็การคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปเป็นอารมณ์เครื่องรูกของจิตเครื่อ ง, ล, องละลูกของสติเราทําส ต, ติตําโหนรู้อยู่กับสิ่งนั้นเป็นการพิจารณาหนักเข้าจะรู้ก็ไกลรักเกลือนิจังทุกขังหน้าตาเดือดรู้ทุกอริยสัจอย่างที่เทศนมาแล้วในตอนต้นไง ขอกราบคุณมัจการถามว่านั่งสมาธิแล้วทําให้เกิดกิทําให้กิเลสหลุดได้อย่างไรนั่งสมาธิแล้วข้าว่าก็จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีเตฏีมีความสุขจนกระทั่งจิตสงบเป็นเอกัคตากิเลสมันก็หลุดไปได้ไชั่วขณะที่จิตอยู่ในสมาธิสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะคนกิเลสได้ชั่วขนาดหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังมีอย่างเกา่า แต่เราก็ต้องนั่งสมาธิทำสมาธิเรื่อยไปนอกจากจะทําจิตให้สงบแล้วก็มันพิจารณาดูเหตุผลของปิณตต่างๆอันเป็นกิเลสที่ก่อให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์จนมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสมันค่อยก็ค่อยๆจะค่อยหายไปหายไปยอมนั่งสมาธิก็หลับเสมอทุกครั้งเราก็ขี้เกียดมาก ด้วยจะแก้ไขอย่างไรนั่งสมาธิแล่าหลับเสมอนั่นดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ถ้าจะฝุกผลให้จิตเกิดความหมันความขยันขึ้นมาต้องข่มจิตข่มใจทำนั่งมันโกหลับก็ฝึกขักโดมสมาธิยูนสมาธิโดยวิธีการที่มันจะไม่เกิดความหลับ มีคนทรงขอพยายามจะบังคับให้เป็นคนทรงอย่างเขาโดยที่ครูต่างๆทําให้คัวจะทําอย่างไรได้อันนี้วิธีการก็คือว่าทําใจให้กล้านอกจากจะทําใจให้กล้าโดยคามตั้งใจแล้วตกองขาสมาธิทําสมาธิให้มันได้สมาธิจริงๆ ให้มีสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ้วให้จิตใจแน่แน่ต่อคุมประพฤติธรรมประสงค์อย่างมั่นคงอย่างกองแกรนอันนี้มีตัวอย่างนายคนหนึ่งสมควรส่งความที่จะจบการทรงนั่นเขาก็ทําสมาธิตามแบบพิธีที่อาจารย์ค่อยสอนโดยทาสมาธิบริกรรมภาวนาไปจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้สึกสบายเหลือล้น อีกปักพัช tamam. หน่งล่างสรงวิญญาณทรงก็เข้ามาประทับพอวิญญาณสรงเข้ามาประทับแล้วรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายเขาก็ไม่ต้องการแต่ว่ามันสายจนวิญญาณเข้าส่งจนจนแก่อาการจนโตแล้วก็เลยต้องป่อยเลยตามเลยต่อมาวันหลังเขาตั้งใจจะภาวนาเอาจิตใความสุขตรงที่เขาต้องการเขาก็ภาวนาอย่างที่อาจารย์ผู้ทําวิธีิสงสอนให้ ภาวนาไปจิตสงบสว่างลงวิญญาณที่คอยส่งก็โผล่หน้ามาทันทีเมื่อเขาเห็นวิญญาณเขามาจะมาส่งเขาก็กาหนดจิตต่อต้างถ้ดอกไม่ให้ท่งแล้วโดยที่พระพุทธเจ้าพระธรได้สงงกับกสิวะเกาจะแน่กว่ากันเขาก็กาหนดจิตโองโดยอยู่ก็เท่าหนึ่งด้างกสิวะก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือหลังจากท่านบริกรรมภาวนาแล้วโกรหากสิวะก็ไม่มี เราแั่นต่อบพระพประธรรมประสงค์ทำจิตให้แน่วแน่มีสติสำหรับท ญ, ญาภาวนาจนได้สมัยที่รอดสติกัญญาล่างทรงมันเข้ามาสงเราไม่ได้ <c oughs> าหาเรายังยังไม่มัน่นคงในคุณพระพุะทธธรรมประสงค์เรามันก็มีโอกาสที่จะส่งเราได้ก็พ้อมปฏิบัติจะพร้อ <c oughs> มปฏิบัติอยู่ประจำโดยยกจิตขึ้นหนวหัว แลมองต่ำลงมาเห็นรูปสั่งเป็นสมาธิของตัวเองแลมองตลกสีตะก็เห็นเป็นกระดูกแต่ไม่ใสมองต่ำลงไปก็เห็นกระดูกตากระดูกตู้โครงและกระดูกอื่นๆนการปฏิบัติตอนนี้การเป็นการพิจรารณาอัติกรรมฐาน ที่ม mm ีว hmm. ัตถจิตมีสมาธิดีแล้วเราเพ่งไปที่ตรงไหนเราจะมองเห็นที่มันแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นถ้ามองเห็นสวยๆมองเห็นเล่ามิ่งดูเป็นสมาธิทั้นได้อุคหานิมิตแต่ถ้ามองไปที่ตรงไหนมองเห็นเ่าเช่นมองเห็นกระดูกกระดูกก็มีอาการเปลี่ยนแปลงจากขายเป็นดำบ้างบางทีก็หักเป็นข้นน้อยข้อใหญ่บ้าง นางจือกรเด็นองหล่อพระเยดตรงไปบ้างอันนั้นจิตอยู่ในขั้นปฏิภาวพนมิตรจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐ า, านให้เพ่งไปตามที่ถามมาในบทดีก <c oughs> ารตั้งสารประภูมิ <c oughs> เป็นพิธีทางศาสนาตามเพราะฉะนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะตั้งสารประภูมิในบ้าน อันนั้นมีอันนี้มีทั้งความจําเป็นและไม่จําเป็นถ้าเรามีจิตใจแน่วแน่ว่าเราจะยึดพระพุทธนามไปสงป็นตลอดนาที่เป็นที่ระลึกกันจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องตั้งศาลพระปุก ห, หากว่าเรายังระแวงสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ตั้งศาลพระปุ่มเดี๋ยวพระปู่มจะมาทาร้ายเราเราก็ควรจะตั้งให้ทันบ้างแต่ถ้าเราไม่ค้องใจเราก็ไม่ต้องสั้งเอากรพุุ้เจ่ากระตุ้นหลวไปตั้งบนห้องพระเราแล้วก็กราบไหว้บูชาอยู่นั้น ถ้าพระภูมิเก่งจริงก็ชนมาไหว้ก็สดมวลร่ว ม, มกันจะได้ไปสวรรค์ก็สามเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่เจ้ากรรมนายเวรก็คือวิบากผลของกรรมนั่นเองใครทำกรรมใดดีไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามโดยรับผลข อ, กลองกรรมนั้นเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคู่ อ, อาฆาตเช่นอย่างในก็งทะเลาะกับนายขอ ที่นายกอกันคอในขอขดัดจิตอาฆาตของนายขอที่ถูกฆ่าตายมันยังปุกกรทองเวรกันอยู่อันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมเจ็ดที่มีความพยาบาตอาฆาตกันนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเว็ดมีจริงเช่อย่างเราเองไปทําผิดไปใช้สักคนหนึ่งแล้วเขาคอยจ้องที่จะทําร้ายเราอยู่นั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเรา ต่เมื่อเราตายลงไปแล้ววิญญาณที่เกิดพยาบาทอาขากันเนี่ยมันก็ยังจองกรรมรองเวรกันอยู่ในเมื่อมาเกิดกันเมื่อไหร่ก็ล่างแท้กันหมด น, นั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงมีอย่างแน่นอนเวลาเข้าสมาธิถ้าทำจิตดึงลงไปมากไม่ถอยกลับมาตามเวลาที่สมควรจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ได้พูดแล้ ว, ว่าการทำสมาธิเมื่อจิตมันจะดึงลงไปมันลางไม่อยู่ แล้วในเมื่อจิตตกสงบแล้วมันเป็นความเป็นเองของจิตมันจะอยู่ในระดับใดเพียงใดหยาบหรือละเอียดกลางเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปถ้าเขาจะดึงลงไปจนกระทั่งตัวหายรู้สึกว่าตัวหายก็ปล่อยไปแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เกิดมีความคิดทำสติตามรู้ความคิดจิตจะเต้า่่่่่่่่่่่่่่่่่่ปัส่่่ ได้ในหลักที่ว่าทำปฏิบติตามรู้การเดินโดนนั่งนอนรับทานเดิ น, น, น, น, น, ดนทำพูดคิดทุกลมหายใจการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมจิตควรอยู่ในท่านอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิขอยืนยันว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจะไปพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแม้ต่ออยู่ในอุปจารสมาธินี่ย ถ้าเป็นอุปจาระสมาธิจริงๆจิตจะปฏิวัติชมโดยส่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจหากเราตั้งใจพิจารณาได้อยู่เปลี่ยนความคิดได้อยู่โดยการตั้งใจจิตของเรายังไม่มีสมาธิเป็นเพียงสามารถบังคับจิตให้อยู่ใดขอบที่เราต้องการเท่านั้นเองส่วนของโรกพาไปปฏิบัติธรรมกาย ก็เลยทําให้จิตใจไม่มั่นคงก็เดี๋ยวพุโทโธก็เดี๋ยวสัมมาอารหังอยู่ดีๆก็หันไปจับดวงเจ้าอีกปฏิบัติตามตามพุโทโธมาจิตก็่าปีตอนนี้จิตไม่มั่นคงเลยจะทําอย่างไรดีโกรดเมตตาแนะนําการปฏิบัตินี่ถ้าจะจับอันใดอันหนึ่งสังกอย่างหนึ่งก็ให้มันเหนียวแน่นอย่าไปเปลี่ยนบ่อยนะักนอกจากสัมมาอรหังนอกจากพุโทโธจะเอาอะไรก็ได้ หรือจะมาฝึกขัดกำหนดสติตามรูปการเดินเดินนั่งนอนจินเดินทำพูดคิดไป้องนึกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องทำจริงๆถ้าจับโน่นวางนี่ผลมันจะไม่เกิดที่ภาวนาโดโทมาตั้งสิบปีไม่เกิดผลเพราะว่าเราไปมุง่งเอาแต่ให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิที่ได้ภาวนาพโพโตไป น, น, นานแล้วจิตมันไม่สงบหรอก ก็มันมีพลังทางสมาธิมันสามารถผลให้จิตเกิดความคิดก็จะั้านช่วงใดที่เราภาวนาผพโตโพโตผโตอยู่ถ้าเจจูกับพูโ้โตปล่อให้เขาอยู่ไปถ้าหากเขาเชื่งผูโตเสียไปคิดอย่างอื่นไปล่อยให้เขาคิดไปเราทำปติตามรู้ไปจิตที่พิกคิดที่คิดไปนั้นเปรียบเหมือน ง, งูมันออกขาเหยื่องูเวลามันอิ่มแล้วมันก็นอนอยู่ในโพรงของมัน เวลามันเหิวมันจะรัวออกไปหาอยู่หากินกินอิ่มท้องเลาวมันก็เข้ามากดอยู่ในที่เก่าจิตของเราเวลามันเหี่วอาหารมันก็คิดโน่นคิดนี่เราความคิดนั่นเป็นอาหารของจิตถ้าเรามัวแต่ไปห้ามจิตไม่ให้มันเกิดความคิดแตเดี๋ยวมันไม่มีพลังงานมันจะกลายเป็นจิตถอมโซ่เมื่อจิตถอมลงไปแล้วมันก็ไม่คิดมันกลายเป็นเจ็ตที่เย็ดแล้วทําเจ็ตให้สงบนิ่งได้มันก็นิ่งได้แต่มันเป็นจิตหดหู มันไม่ใช่จิตสมาธิเพราะฉะนั้นเวลามันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดบ้างอย่าไปห้ามมันถ้าไปห้ามแล้วมันตัดทอนอาหารก็มันมันไม่ได้กินอาหารมันก็หมดกําลังสปเพราะว่าจิตจะมีพลังขึ้นมาได้ต้องมีสิ่งรู้สติต้องมีสิ่งละเลิกดีแล้วเจตจิตมันคิดเองถ้าเราภาวนาเยอะหนอองาหนอสัมมาระหังกุโคเนี่ย เราหาคำนั้นมาป้อนให้จิตแล้วยังจะต้องทำสติควบคุมอีกด้วยเมื่อจิตของเรามันเพิ่ขึ้นมาเองเราเพียงแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นมันก็ง่ายเราทำงานท่าเดียวไม่ต้องไปแบกถึงสองอย่างทาระที่จะหาสิ่งรู้ให้จิตนั้นเป็นอันหมดไปก็เข้าหาของเขาเองแต่สิ่ที่เราจะตั้งใจก็คือทำสติตามรู้ไปการเจริญสติอยู่ในอริยาบทเมือง การนั่งทาสมาธิอย่างไหนจะได้ผลในการปฏิบัติเราการเดินจงกรมเวลาเดินอย่างน้ขอขวาอย่างน้อยซ้ายอย่างน้อการเจริญสติ <c oughs> นอกจากที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเราจะเรีนสติในท่านั่ง <c oughs> ก็เรียกว่าจะเรียนสติในท่านั่ง ถ้าเดินเดินนั่งนอนกินดูมทำพูดคิดเจริญสติอยู่เนืองๆก็โดยก็จะเจริญสติกับสิ่งนั้นๆทีนี้การเดินจงกรมเราจะไม่ ก, ก็ย่างหนาะเดินหนอนังน่งเนอกินเนาะอะไรหนอก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วแต่ถนาดถ้าขนัดอย่างเราก็เอาอย่างนั้นเวลาเรินภาวนาพูดโทษเวลาเดินว่า ขวาย่างหนอซ้ายอย่างหนอเวลานั่งภาวนาพดโถจะได้หรือไม่ถ้าเอาอันใดก็เอาอันเดียวทั้งในท่านั่งในทาน่นทาเดิ น, น <c oughs> แต่มันเน่วแน่เดินเวลาโถท่าเป็ดใส่ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหารแต่ปัจจุบันโลดแล้วการกระทำนั้น น, นับว่าเป็นบาปใช่ไหมใช่ ในทาบทจะแลกจนพอนโทษให้จะกระทำได้อย่างไรการก็ททำกรรมเป็นเรื่องของตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอดบบทหลานจะพอนโทษให้ด้วยการทำบุญอุปติไปให้ บางทีอาจจะทําให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานทําไปให้แล้วกันจะได้รับจูอาจจะย่อนลงไปการทําดีแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการผ่อนคลายหรือผ่อนผํกหนักให้เปนเบาลงไปได้รายการตอบปัญหาในวันนี้ก็แน่นอนว่าจบลงพอดีก็หมดปัญหาที่จะตอบ